Amen. Okay. ไม่ด แวบไปบ่อยเนาะแต่เราก็จะกลับมาได้แต่ยากนะที่จะรู้แบบเช่นสี่จังหวะไม่รู้แต่ทุกสี่ท่าเาไม่คิดเลยเเดินนาทีหนึ่งแต่อันนคิดเลยหรือการเดินตอดไม่เคยมีนะ่แหมแต่ความคิดมัแทรกเามาทุกขณะไปถึงแม้แต่ยกมือทุกสี่ท่าบางีก็แว้มาไหนครับง เนี่ยมันไม่ไม่ปิดนะแต่ก็แต่มัน่าแต่สงบในแง่ก็แบบอย่มงน้อยเขาก็ไม่ปุ้งช่างไปไปปิดก็เลยไม่ไม่ไมูทุ่มนะสูกก็ดีไม่สูบมากนะไมทุ่มมากแต่ถ้าเราไม่มีหลักฐานดีสูกก็สูกมากดีใจก็ดีใจมากเสียใจก็เสียใจมากบางทีถ้าเราเราางีคิดขึ้นมาดีใจอือก็มาละ เปียใจหรือถางท่านเปลี่ยนนะมาตรฐานตื่สจำตาจำตาประดีประดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฉยไม่มีอารมณ์ไม่มีคามสึกนะอาการก็คือสภาวะการดูเห็นอารมณ์เห็นพวกเห็นมีใครเห็นว่าเจียใจแต่นะก็ดูไปจิตก็คงทราบว่าเขาไม่เป็นไรนะ แต่ถ้าภานาไปเยอะๆจริงๆแลวสติมันก็เกิดจริงๆไม่ได้เห็นความหลงที่เกิดเหตุขึ้นนี้หรือเร่ไหนยินเสียงนี่อ่ะกิจมันมันไหลไปเขียนที่ได้จีนนะมันไม่ไหความพอใจหรือไม่พอใจนะแต่ไปรู้สึกว่าใจเราไหลไปหาเสียงข้างนอกน่เสเอนอก เกิดความสนใจแล้ว่างทีกอีก็คิดปรุณแต่งอะไรข้างในทุๆไม่ทานเป็นความไม่เลือกแต่ก็สรแต่ก็สดก็ไม่เป็นไรก็ตามตามแต่มันจะเป็นนะแต่เราก็ว่ากี่แล้วก็จื้ดูมันดีเฉยแบบปเป็นยังไงบาก มีสภาวอย่างไรบ้างภาวนาเป็นโยมปริัติีปนไรซ่าบ่อยเยอ่มันจะว่ามันเรื่องเก่าๆวเรื่องใหม่ๆเรื่อง ไปแวะไปคิดเรื่องนั้นเรื่อยๆตรวจคดีขึ้นมาสาภาพปีปีกี่เรื่องนะตรวจขึ้นมาถ้าเราตันงใจเรื่อยๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะ่านทนก็ตรวขึ้นมาปุดขึ้นมาหรือบาทีเรื่องต้นก็ตรวขึ้นมาเรื่อยๆอปอรวจโครงการปุวโปรเจกต์ตรความคิดสรางสรรค์อ่างเรื่อยๆนะอัน้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมา คือกิเลสก็ตาหน้าที่ในทางที่ไม่อยากให้เราอยู่ตับเนื้อก็ตัวอยู่กับตัวนก็เลยช่วยเอาเรื่องที่ฟองใจบางเอเรื่องที่ไม่ฟอใจบางให้คิดเรื่องอีตว่าเรื่องนามเรยบ้างห้คิดหร่แสดงว่าแค่กลับมากลับมารู้ว่าออะไรอยู่แค่ก่อนละการนฏิบัตจริง ผมก็ทำบอกวก็คือการกลับมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกรัมาจากการที่จริงกลับมาแต่ความคคิดความหลงคาว่าจากควมหลงก็ไปความรู้นะจิงภาวนาดีสองอย่างเหมือนน้ามือกามเหมือนน้ามือนียเหมือนตัวรู้การมือคืตัวหลงถ้าตอนนี้เราหลงตัวก็แค่เกี่ยนเป็นรู้หลงก็เกี่ยนเป็นรู้แค่นั หนงเป็นคิดก็เปลี่ยนมาเป็นรู้อะครับแค่นี้แหละแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะมันก็หน ง, งแม้ความคิดจะดีแต่ก็คือหนงเป็นคิดนะคิดสุขคิดทุกขมันก็คือหนงเป็นคิดจกงกับตองสศกกัอมีควทุกข์ก็คือจงกับตอง ค, คิดกับหนงแล้วก็เปลี่ยนกันมารู้ตัวพอเปลี่ยนกันมารู้ตัวได้ไปไหว จิตมันจะอยู่หหหเหนืออารมณ์อย่เหือความคิดคันนี้สูงก็ดีท่กก็ดีมันก็เป็นเพียงแค่แต่ ว, ว่าที่จิตเข้าไปเห็นแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นเข้าใจไหมมาเราจกน้ำเราโผอ่ขึ้นน้ำก็แค่ัวแค่ติตตัแต่ตัวแค่จมนอยู่แต่ถ้าอะไรเราโตกึนมาจากน้าได้มีอย่บนฝั่งะ น้ำก็ไหลไปเราก็จะเห็นน้ำมันไหลไปไหมาเมื่อเราอูการถนนนะเราต้องคอยหลบเลาะข้างซ้ายข้างป่าข้างหน้าข้างหลังเล้วก็ยต้องคอยระวังอยู่กินโซนเนี่ยแต่เมอใดที่เรากรโดดนมาอยู่บนต้นปาดอยู่บนที่ปลอดภัยได้เก็บเลือดปิ้งผ่านอากาศใดนี่ยมันก็ไม่ต้องหลบมันก็แค่ดูแค่เห็นแต่และแรกว่า แหะออกจั่นน ง, ง น, นั่งมถนกเหือการพนันแหละไฟตกไไดีไดไดดดแดดต่จิตเป็น่างกงกถ้าเบียดเที่ยงแล้เหมือนะชีวิตเรานีานะ่ยโดนชนไวอีกค้าเอาชนอะไรความคิดเข้ามาชมนเป็นความโบ้าความทุกขับ้าชวนเราไปชวนเราไปก็ไม่เป็นไร ยิ Labour, heart, ่งภาวนาไปก็เราเห็นว่ายังเปิวิธีไปไหรถือว่าดีนะแต่ถ้าเป็นวิธีที่เขาเปกดคอามแค่ควมสงบางคนก็จะมองความฟุ้สร้างเป็นวิื่ที่ไม่ดีแต่ถ้าปฏิบัติแบบวิปัสสนาแบบเดินสติจริงๆนะฟุ้งร้างไปไหดีก็ราะมันรู้ว่ามันฟุ้งซ่างนะก็ถึงจิตมันรู้ว่ามันฟุ้งซ่าง อ่ check, creo, ี่มารู้ว่าคิดมันถึงมนถงเหุแต่ถ้าเร้งซ่านคิดตลอไม่รู้ตัวเราก็จะไม่รู้อ่ยนมจะฟุงไปยาวฟุงไปเยอะคุงไปลึกนะเพราะมารูันฟุ้งซ่ามันก็เลยรู้สกว่าุ้งซ่านคิดเยอะอ่ะนนะดีดีที่เราแต่บางทีไม่รู้แค่กายอย่างเดียวไอ้รูที่กายก็เป็นส่วนหนึ่ง รู้และกินาปรุงซาดีก็ึงก็คือตัวรู้กาตัวรู้หนึ่งการไม่อย่าไปคิดว่าปรุสร้างไม่ดีเรารู้ว่าคันปรุงซ่าดีนะแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวว่าสร้างซ่ไม่ดีหรืงทีมันมีความสุขเกิดขึ้นมาเราไม่รู้ตัวนั้นก็ก็ไม่ถูกแต่ถ้าต้องสุขเกิดขึ้นมาแล้วรู้ตัวนั้นถูกกว่า Okay. ได้นะในิงบางคนฟังทำไปด้วยปฏิบัติไปด้วยได้แต่เฉพาปฏิบัติเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเราต้องนั่งย่อมเลหรือเราต้องเดินเดินมถึงไปเทีปฏิบัติแต่ข้อหมายว่าปฏิทินเอกฟังทาไปด้วยเราปฏิบัติไปด้วยคือเราก็ได้สิ่งที่เราได้ฟังแต่เราก็ยังเขียนสิ่งที่เห็นในใจในความรู้สึกด้วยอันนี้ ทันตีแล้วก็ปฏิบัติไดป ด, ด้วยภาษาไปด้วยนะของจีนแล้วถ้าฟังแบบนี้ได้นะก็ะไม่ใช่ว่ารธรรนะมะจนะีแต่ตอนประเทศนะทุกเรื่องราวที่เราได้ยินเน่ยเราก็สามารถปฏิบัติได้ให้เราดูข่าวเมื่อเราดูข่าวแต่เราไม่ใช่รู้แต่ว่าข่าวมันเป็ข่าวอะไรเหตุการเป็นแบบไหนข้อมูลกันแบบไหนแต่เราเห็นกวารู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ข่าว น, นันะ้นด้วยกั อันนี้ได้ก็ทา่านดูท่านฟัแล้วาเห็นตัวเองด้วยึ่งแบบนี้คือกา ร, รการการปฏิบัติจริงจริงกรคำอัทีไม่ได้เกี่ยวนะว่าก็จะเกี่ยวบ้างบางทีไม่ได้เกี่ยวคนเท่จะต้องเท่ดีไม่ดีอย่างไรนะแต่าเรากรู้สึกตัวรูสุกตนใจของเเอง ว่าอันที่ฟังไปแล้วอยู่เฉลิมดีไหมเท่านี้จบวันนี้พักเท่นองนี้เท่านี้เราชอบมากเราเคืองไปกับคาพู่กวามรู้สึกที่ท่านพูดอันนี้อาจจะเล่ตามมานะแต่ได้ความรู้สึกสุขปลอด ใ, ใจกิเลสได้บได้สุขแต่ไม่ได้สภาวาธรรมที่ผู ด, ดูแต่ถ้าตังไปล้วเครืรู้ตัวก็เคิองรูตัวขึ้นมาไม่ดีอยู่ใความเคืง หรือฟางไปรู้ทันเรืเพศไม่ได้เรื่องเพศอะไรกเรออ่าเกาเกาหลุดีจิต้องเป็นเธอสวยแต่ถ้าเราเห็นความหลุดหงีิเอเห็นจิตเที่ยไม่ชอบเห็นโทสะใี้มันเกิดขึ้นมาไอ้แบบนี้ก็เราไม่สามา้ว ใจก็อยู่ตรวไหนครับก็แล้วแต่ถ้าใจบางทีลมปังก็รู้สึกว่าใจอยู่กางปังใจอยู่กางยกมื อ, มอ ก, ก็รู้สึกว่าอยู่กางยกมือแต่ก็แต่ีจริงก็ไม่รน้ท่านจะทำไหมหรือ่าไม่ถ้าปัางเทศก็จะไม่ไม่ไม่ปฏิบัติแบบนี้นะไม่ยกมืด้วยแต่ก็ใส ที่จริงปัสสาะที่มันเกิดขึ้นเสียงมันกระทบหนูมันเกิดตอรู้สึกอย่างไรขึ้นมาเราก็รู้สึกอันนี้ก็เป็นปาสาวนี้นะการเคลื่อนไหวเป็นภาษาวอัมันก็เลยตอร์ันตอรอย่างปัสสาวะการเคลื่อนไหวของกายปัสสกันการกระทบของหมูเราก็เลยตอรกันแต่ถ้าเราวาใจได้ เรารู้อะไรก็ได้นะรู้อะไรก็ได้แต่ขอให้มันเด่นทุกอย่างก็จะดีกว่าแต่ก็พอคนปฏิบัติไปด้วยบางทีเองตัวการลำาก็จะไม่ค่อยเด่นเขก็จะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเป็นตัวเราแต่สังเกตโยนดูดีจิตมันไม่ว่าจะเด่นอย่างเรียนแล้วตอบบางขณะเรื่องที่ท่านพูดเราสนใจจิตก็อยู่กเรื่องที่ฝ่า บางอะเรื่องที่ทั้นพูดเราไม่สนใจจิตก็ไปอยู่กับเคลื่อนไหวปฏิเสธว่าจิตมั น, นนะมันไปนอยู่กับตรงไหนที่มันบางทีก็แตกตา่างไม่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตลอดเหมือนเดิมตลอดแราตัวรู้สึกว่าจเมื่อกี้มันไปกัการปั่นแล้วจิตตอนนี้มันอยู่กับตัวในการเคลื่อนไหวเรารู้ถ้าว่าจิตมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละตัวที่ คอยตามรู้เนีโน้งสนใจด้วนธุรกิจไอยู่ไหนดีคอยตามดูว่ามันไปไหนไปเสียงหรืออยู่กับการเคล่อนไหวมันก็มีการตามแบบนั้นถ้าตามในส่ขการแล้วก็ดูดูสภาวะทางนี้จะขึ้นในตัวไปในหน้าที่การ์ด้วยแต่ถ้าคนเรียนใหม่อาจจะดูแบบนี้ไม่ได้ต้อง ปังเพื่อเานื้อหาไปก่อนกับเพื่อเานื้อหาเอาหลับนะครับปฏิบัติไปก่อนหรือถ้ามีฟังอีแบบนี้นะบางคนก็พอจะหลับได้แล้วเดี๋ยวฟังเราจะหมใจเอาแรงจุนใจในการภาวนาผีภาวนาไปเร่มันเบือมนท้อฟังครูาจารย์ปร่อมันได้เรองใจมันก็จหลักในการภาวนาหลับไปเื่อาาช่วงนึง มันท้องมนเหลือหรือว่าเราดูในตานนะ่างคงนั่งทีภรายานี้ก็ไม่ค่มากเท่าไหร่ก็แต่การฟังก็เป็นภรรยานี้ให้เรเกิดตรงใจใตกาภวนา ม, นนะมาเรองีเราฟัแล้วมีสาแตกนะแต่การเอาดักไปก่อนให้คนก็ต้องฟังให้เข้าใ จ, จากรารปฏิบัติมันฟังดิเป็นภรรยานะอย่ามีต่อฟัง เป็นเป็ื่อนกำลังใจในเดือดแดงตื่นใจการภาวนาอย่างอย่างที่มันสูงรู้ไปก็คืปังทำไปด้วยรู้สึกถืงนกายใจที่นันแสดงสภาวิธีไปด้วยถ้าเราเข้าใจพละวิธีได้นะจะอยู่นี้การไหนเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้หมงเพลงก็สาารู้สึกสภาวะได้ปงโฆษณางอะไรต่าง ถ้าเราตัดมาเหิ่งที่ิขึ้นมีการเงินใจได้ก็คือความทงแล้วก็เท่าใจทำไปกินทำนะอุญส่วนก็เป็นทางอกุศลก็เป็นทางทางที่เป็นวงการก็เป hey ็นทางทุกสถาวะเขาแสดงทางเท่ากันแสดงอะไรแสดงการเกิดขึ้นนั่งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสถาวะแสดงสถานะตรงนี้ทั้งหม่เย ถ้าเราเห็นการเกิดขึ้นทั้อยู่นะไปขนาดทุกทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าเข้าไปไม่ว่าจะเป็นความรไม่ว่าจะเป็นความช่างอขากแสดงถึภาวะอย่างนี้ไปแต่เราไม่เข้าใจท้าเ้าตระงนักเราไปไปให้ค่าเราไปให้ค่าความรักบางขณะเราเข้าเปให้ค่าความช่างอ่าก็ไม่นมก็เลยไปขอไป เนาไปแช่อะไรนะแหมโยปฏิบัติทำไมเป็นฮะดังเดน่าที่ ก็จะเป็นประมาณเดิมสิท่านพระเจ้าสติกิตอนโนตัว ต, ตั้งเป็นคำเรื่องความิเลยดอย่างยี่งเลยนะก็ทนะเป็นตุวคันติแต่ถ้าสมนติที่มันสูงขนะึ้นไปนะสมาธิในทางที่บางทไม่ใช่ทนคนที่ร่างกายนะแตเป็นทนดูอารณ์นะถ้าเราไม่มีสนาิเราจะเป็นคนที่บื่อลว มันีง่ายไม่แคอ่อารมณ์เกิดขึ้นมาความคิดขึ้นมาเราไม่พอใจมนะันคือไม่มีสติแต่ที่สตินะ้นาอันตรีมันจะในสภาวะจรางมันจะมาควบกับผู้เบิกขามันจะทนแล้วก็ดูเห็นสภาวะมันเกิดขึ้นแล้วก็ถากไปได้อโอตาแล้วก็จะไม่เกิดขึ้นมา จิตที่มีอเบกขาทุกิที่มีชาติีนเนยเะเหภาวะที่มันอะไรก็แล้วแต่นะเราจะรความไมพอใจผิที่ไม่มีขึ้นมาดีเราจะอยากจะทนนะเช่นงเราโม้งนะเราก็ไม่อยากเรก็ไม่อยากทนกับมันนะเรต้องโม้งปกินกาแนดีกว่าเห็นไหเบื่อนะเราก็่อยากทนกับมนนะเบืเเ่อเราก็งเบื่อเราก็ไ เค็่เคร่ดีกว่านะเหือเมื่อโทรศัพท์ดีกว่าอันที่จริงนะเ น, งง น, งนี่ยเรามีงคนทนตั้งายที่จริงภาวนาจิตติอยู่กัเรื่อใจผิดใจแล้วอารมณ์ที่เราไม่อ้อบเราเ็นคนดูมนะันไหมไปอยู่กับมนะั น, นัหมอ่าหรือเราที่จริงเราอยออตาเกังมันเบื่อมันก็จะวนไปทำอีกเื่อง น, นะแอดดูดีด หรแดดะที่เป็นกุศขึ้นมาดางทีว็อยากที่ว่าพันาไปบางทีก็คิดดีคิดนั่นคิดนี่บาก็ต้องคนดามันนะบงทีช่วีรปฏิบัติไม่ใช่ช่วงเวลาต้องไปไปทำอย่างอื่นนะบางทีบางช่วงปฏิบัติก็ต้องตั้งใจอย่างการปฏิบัติกกว่าทีถ้าเราไม่คนทีเรอามณปอารนซุ อาลมณ์ดีๆก็ชวนเราไปทำอ่างอืนไปทำอย่างอื่นแต่จรมันก็เป็นตัวเรื่องงการภาวนาพยาามนี้กันังนั้นบางทีคีดดีกมองคนเั้าใจพิจารณาธรรมะเ่อมันเื่อเกิดความเพิทีมันก็ต้องวางสถานะปฏิบัติไป๋ยวจ้คิดเรื่องธรรมะมากมาย เมาตาว่ามจะผุดขึ้นมาอห้เข้าใจนั่นนี่บางีก็ต้องบาล อ, อย่าไปพุ่งขีกขง่กันมากต้องใช้กเป็นที่จิคิดของนักเองนั่นก็เ ป, นน เ, เป็นเองแต่ทีเราอย่าไปถ้าเราไปดูตัวไข้อแล้วก็คิดอย่างบางคนอย่างอ่านหนงสือบางทีไปคิดเพศในใจคิดเพศเดี๋ยวว่าเมตา่าที่เราได้อา่าน แต่คิดแ่เข้าใจอยู่นะนะเขาเีนเต่อๆคิดเสริพเพิอุศลยางนึวนแต่ก็คือควาหลงอย่างหนึ่งนั่แหละนะต้องดูคติของบุคคลเราจะทนนันั่งคา้าไปนดูภภาวะอุศลอุศท่นเกิดขึ้นในใจนะดูมันเปพาต ก็ที่ท่า น, นบอกกันก็ต้อหยอกให้รู้ซื่อรู้ผ่าๆวา่ซื่อตรงๆไม่เข้าไปเอาไม่เข้าไปไม่เข้าไปรุงไม่เข้าไปหลงอื่นๆะอืนทุกนะรู้ซื่อหอยกิแต่าเราไม่ซนะื่ออะกินเองก็ามามานตะอไมอไ่พอใจามพอใจนะมันจะเกิดซึนซาบ แต่บางทีก็เกิดขึ้นนะเราก็รู้ซื่อๆรู้ทันว่ามันมันเถื่อดไปไม่พอใจแล้วมันเถื่อนไปไม่พอพอใจแล้วนะเ็าต้องรู้ซื่อๆกันก็ได้นะที่เรารู้ทันตอนไหนก็รับตอนนั้นนะจากปฏิบัติไม่ต้องรู้เห็นแล้วต้องไม่คิดต้องไม่เกิดอะไรต่างๆได้ยินแล้วต้องไม่เกิดเลยนะบางขณะมันก็เห en. enfin ินเฉยๆก็ได้แต่บางเวลาเห็นแล้วก็ชอบ ข้อไปรู้ทันเมื่ันซ่อนเี็นเมื่อมันซ่อนต้องมีปรปรุงต่อไปกินนานาทานต่อข้อไปรู้ันตั้มตกินนานาทานสัมผัสกุญแจไปจนถึงขั้นเห็นซ่อนไหนก็ระตอนนั้นแต่ถ้าสติมันเด็วมันก็ด้เห็นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแต่สติสติมันช้าก็จะได้เห็นตอนที่มันปรุงไปเยอะหรือบางเรืงมันปรุงไปเยอะสติกายังไม่พอเห็น ตระหนักได้ดีนะอย่าคนรู้สึกว่ามันโผล่อะไแต่เห็นตั้ง่ไม่หายโเพราะมันปเยอะๆ่างของกเลสเยอะครับโส่าเนอะแล้วเห็นว่ามันตระหนักไม่ได้ที่นี้ถ้าแบบนี้ก็ต้องประาศต้านทาที่เหนือนมันมีกำลังปกติมนมากนะมันก็จเหมือิทีใครนะครับที่ไม่ดับทันทีเป็นเหมือนใครเราเบรกรถ มาทีมีความเร็วเยียบนิ่เดียวก็ไม่ไม่อยู่แลต้อแต่อะไรครั้งแต่อะไรครั้งก็ค่อยๆผอนค่อยๆาลงมาขนาที่มันเย็นสั่ตกเป็นกำลังมากขึ้นกาจะดีไม่พอก็ต้งเห็นเรื่อยๆเห็นเ่อยๆดนเอก็ยแต่ถ้ามาขนาที่เราเห็นแดงๆค่อยๆเกิดขึ้นมาเห็นก็หยุดได้เนี่ยเราฝึกสติเห็นตายเคลื่อนไหว ตาไปไปเห็นใจที่ชิ้นึกนี่แหละเห็นความคิดขึ้นเตื่นขึมาเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นเพียงแค่อาการของตายของชัยไม่ใช่เห็นเป็นเรามานี่เหมือนกันตัวเสิร์ฟให้ตื่นใจสองคนหน่อยนะที่ าเราวิ่งย้อนข้ามทางจะเป็นหลายจะตา่างเยอะเลถ้าเราลองเห็นลองเห็นตรงนี้เราเป็นสิ่ที่ถือว่าก็เหมือนกับเราเราก็จับทางได้เนี่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ า, า เ, เราเริ่ต้งทางเนี่ยมก็จะเป็นรัศมีาาการถ้าเราอรทาท ดังนั้นก็จะมีองการแล้วก็ถ้าเกิดว่าล่าเรินอยๆดะเรอยๆจะเรื่อยๆขึ้นเหมือนกับว่าหยุดที่จะตามคำชี้นำหยุดที่จะตามคำชี่นำการกล่าวไป20ตัวนั่นายถึงว่าเมื่อเรากล่าไป20ตัวเราจะหยุ อาขชิดเพราะว่าใจเราเมือจับใจมันวิ่งไปตาความคิดช่รัใจเรากลับรู้สึกตัวเลนี่ยตรงนี้เนี่ยนั่นก็คือความคิดมันก็จะตบลงเพราะว่าใจเรื่องสนใจแล้วนะความคิดมันจะไปไปตบ่องขมรู้สะนการที่เรากลับมาแบบเนี้ยจิตมันจะตอบไปใช่ไหมฮะคือจิตเราที่คือจิตเรากลับมาจะมาจากการเลงไปชีพรื่องอะไรท่งเกิดความคิดนั้นมันเป็นเรื่องไร้านะใช่ไะ ตารเกิดความกรตากใจมใจมันจะติดตันนอใช่ไหเรื่องจริงได้ดีนะแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในความิดการแบบนั้นคือนคือเป็นลูกแบบของความสุดนั้นก็คือความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปสนใจว่าไเแค่เาันเราก็ไปกลับมาทุคือถ้าเกิดเป็นความคิดดีอย่างที่อาว่าทีคิดดีเราจอต่าเกันไปเรื่อยๆชนะไเรื่อยในที่ที่บไปมันคือตรงนั้นา การที่เราหกลับมากับมาการที่เรากลับมาครั้งหนึ่งกลับมาครั้งหกมาครั้งหนึ่งมันจะเป็นสิ่งที่นอนเรียกว่าเราก็จะกลับมาได้รื่อยขึ้นคล่องขึ้นการที่เรากับมา้ยขึ้นคล่อขึ้นนีมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นผลองการปฏิบัติของารถ้าเราปฏิบัติไปการที่เราดูแบบนี้เราดูไป ลายไมเห็นมือไม่เคห็นนี่คือตอนได้เราดูเราอาจจะไม่ค่อยเห็นลายจุดาไหะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้เี่ยตรงนี้นะมันจะทำให้เราเห็นเห็นลายที่เห็นตกตาชัดขึ้นช้าขึ้นช้าขึ้นไม่ว่าเราจะทำยงไงก็ตามเนี่ยแล้เราสังเกตดูนะีจริงการจับมันไม่ได้เลยมันจะจับจับอะไรเรือยข้นหนุนเราทาไปทำไปไป ปีสองปีสัมปีสี่ปีแลีเราไมจับเยะมากขึ้นนะและนี่คืออันนี้คืประโยชน์ของการที่อาจะรู้ว่าเมื่อเราดูเราจะเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแกง น, นะนั่นคือเราไม่เห็นนะเราเข้าไปจนถ้งดูเข้าไปอยู่ในความชอบคอนเทนต์เราชะเห็นแ่พอเราเขาเอเหตมาดูพวกนะเนี่เื่องราว ต, าตา่างจะกายเปเราเราไปดูนะส่วนที่ดูก็คือสิบที่ถูกดู ตรงนี learn, men, high, learn, learn ้ก็จะเกิดสิ่งที่เหมือนเราผลรู้การเลรู้ใจสิ่งที่เปนการสิ่งที่เป็นใจก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรูส่วนที่รู้ก็ส่วนเป็นสิ่งที่รูรู้ส่วนนึงก็ไม่ใช่ไรนังนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการสิ่งที่เกิดขึ้นใจก็จะเหมือนกับมันก็เหมือนกับผลรู้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นนามผลรู้เป็นนามเลยเป็นนามตรงนี้ที่บอกว่าการที่ของเราก็เรียกมันว่า ใช่ไหมคนับผมก็น่าจะความเข้มใจผิจริงๆก็คือเราก็ดูฒนาดเพาะที่เจนี่มันเป็นอย่างนี้ระนี่มันเป็นอย่างนั้นถูกไหมครัแต่ว่าวันนี้เนี่ยตอนนา้ที่เราจะมาปฏิบัติเราไม่เคยดูเราอาจจะสอบกระจกนะแต่นั่นคือไม่ใช่สิ่งที่เราดูถุกๆห้ามเลยนะนั้นนั้นคือตรงนี้การปฏิบัติทำก็คือการท่องท่องหัดที่จะดูแนวเขาเขก็จะตอบชัดเจนนะผู้ดูผู้เป็น จริงไครือการรูจะไม่ใช่เกิดผู้เป็นพะไรี่นี่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญมากของการตพอเราเริ่มต้นที่จะดูมันก็จะผ่านไปถ้าเราเป็นผู้เป็นสุขเ่จริงมันก็เป็นเห็นเหนความผู้เห็นก่อนสุกนี่ก็จะดูแตเต่าันันั้นคือตรงนว่าเราดูไปมีความสิ่งที่เกิดขึ้นในจาก อยงที่พระเจ้ากำลังเป็นทีอาการเข้ามาใช่ไหมครับอาการทุกอาการโศกใช่ไหมครับาทีเราเคยสงสัยที่จะคายความสุขเราต้องรองห้ต่เอความทุกข์ก็ต้องรองไห้ใช่ไหมครับไมต่างไปตงไหนอะนั่นคือตัวที่ถนาดมาถ้าเราค่อยๆนี้ใ่รค่อยๆดูค่อยๆเนการที่เรามีเวลาที่จะปฏิบัติรูปแบบบรรยากาที่เรามีการดูอาการขึ้นพาที่เรา ไปนอกลู่ด่นเเราไม่ใชได้สังเกตเราเรี้่คือเพราะว่าทั้งนั้นเถ้าเราเดินเริ่มต้องจับชีพไปจมาเเลยเราจะหลารู้สึกความเคยชินี่กินจะนอนอะไรต่างๆจะหลารู้สึกความเคยชินแต่อย่างวันนี้เนี่ยพวกเราพอเริ่มต้นแบบนี้ก็จะมีคำแนะนำว่าเราต้องดูซิว่าอยาลองไปทานข้าวเราจะรู้สึกได้ไหมอะไรต่างๆอย่างนี้ทั้งนั้นก็คือเนี่ี้เราฝักไปเราก็ลองรู้สึกด้ย เรารู้สึกกับการอับน้าเรารู้สึกกับการเดเรารู้สึกกับการดื่ไรทุกครั้งที่เรารู้สึกเราก็จะแยกเวลาจากการเคยชินนะใช่ไเราเคยชินที่จะไหลไปเนื่อยไเลยแต่เราจะเริ่มเห็นที่นี่เราก็เห็นตั้งหนึ่งนตงเราทำแปเราทไปทำนปตรงนี้มันจะให้ความสะสมนะแล้วก็งนี้มัเป็นสิ่งที่่เราเยเห็นเราที่เห็นมันจะเกิดสันธการที่มา แล้วก็ตรงนทุกทางที่เห็นเนี่ยนครบแล้วทุกงที่เราเห็นนแลนั่นคือนนะก็เออให้พกา